คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเราก็ส่งท้ายด้วยการทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นอาตมาจะพูดในเรื่องของเก็บตกเก็บตกเมื่อคืนที่ผ่านมา ก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องพระบาทเมื่ออัตมาอธิษฐานจิตว่าจะขอไปประเทศอินเดียอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชาตินี้พร่อมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแก่ประธรรมแก่พระอริยสงฆ์แกนั้นอยากจะไปเห็น ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราอยากคิดว่าแรงอธิษฐานนี่มันไม่มีเมื่อเราอธิษฐานบ่อยๆแรงอธิษฐานนี้ก็จะเกิดฉะนั้นในโอกาสหนึ่งมีโยมที่กรุงเทพก็จัดไปประเทศอินเดีย ก็ก็รู้ข่าวอย่างนี้เขาก็เลยนิมนห้อัตมาไปเป็นครั้งแรกครั้งนั้นไปรู้สึกว่าตัวรับทุเลกันมากเพราะไปลงที่กันกัตตาต้องนั่งรถไฟไปอีกหนึ่งคืนตอนที่รอรถไฟอยู่ ก็ต้องระมัดระวังกันอย่างแรงเพราะว่ามีขโมยกระโจนมากขนาดกระเป๋าที่นั่งฝ้าวอยู่ก็จะต้องรักกุญแจไว้กับที่ใดที่หนึ่งในอินเดียนี่มีโจรมีนักล้วงมากจนถึงเวลาเขาขึ้นรถไฟ รถคอยก็จองพิเศษตู้นอนทั้งชั้นบนชั้นล่างบางเอิญที่อาตมานอนเป็นชั้นบนแล้วมีแขกผู้หญิงก็เป็นเจ้าเจ้าพุทธเขาก็ศรัทธาในอาตมามากเราก็ก็คุยเป็นภาษาอังกฤษ รับอาจารย์ประเสริฐอาจารย์ประเสริฐเป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประจำจังหวัดที่นี้แกก็เลยยิ่งมีศรัทธายิ่งขึ้นพอตอนที่แกจะลงจากรถตอนเช้าอัตมาก็ลงมานั่งมานั่งข้างลำ แกก็ถึงเวลาที่จะจากไปคุยกันพักหนึ่งแล่แกก็กราบกราบลงที่เท้ากราบเสร็จก็เอามือไปลูบฝ่าเท้าแล้วออกมาลูบบนหัวนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของผู้ที่เป็นชาวพุทธจะนั้นเรื่องนี้ที่อาตมามาเล่าให้ฟัง เพราะว่าตอนที่อาตมาเล็กๆต้องไปวัดกับโยมแม่โยมพ่อเป็นประจำโยมแม่โยมพ่อก็ให้กราบพระที่เท้าแล้วเอามือมาลูหัวอย่างนั้นทุกครั้งจนโตเป็นหนุ่มไปอยู่สวนโมกไปกราบพระเดชพระคุณท่านอาจารย์โุต ธ, ธาธทุกครั้ง กราบตอนขามาตอนขากลับต้อง <c oughs> กราบที่เท้าของคุณงายเอามือมาลูหัวบนศีรษะของตัวเองนี่ทำอย่างนี้นี่เป็นลักษณะของชาวอินเดียโดยแท้เท น, นี้ก็ไปไปที่จะจะรู้ ไปในที่ทุกๆแห่งตามที่เขาไปกันนั่นแหละเป็นนั้นว่าจะมาได้ไปด้วยแรยงอาทิษฐานที่อาทิษฐานทุกๆคืนแล้ว mm hmm. เกิดแรงอาทิษฐานขึ้นมาแล้วก็ไปดูที่พุทธกยา mm hmm. ก็มีประบาทนี้ประบาทนี้แต่วันเล็กมีประบาทตั้งที่กุฏิทางข้าว อยู่ทางซ้ายมืออยู่ทางขาวามีพระบาทเขาทํากับดินดำํำหินดําแล้วก็สกะเป็นพระพุทธบาทคงจะทําในครั้งแรกเพราะในสมัยก่อนไม่มีพระพุทธรูปเขาก็ทําเป็นประบาทที่นี่ที่ใต้ต้นโพเขามีประบาทสองรอยที่ใต้ต้นโพ ก็สกัดเป็นหินดำเหมือนกันทีนี้ก็ข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของวัดอินดูเขาเขาก็เก็บประบาทในสมัยนั้นเน่เอาไว้เหมือนกันมีพระพุทธรูปเยอะแยะทีนี้ลองคิดดูนแรงอธิษฐานมันแรงขนาดไหนอยู่ในประเทศอินเดีย แล่ก็นิมิทเห็นไปตั้งแต่นี้นี่คือแรงอธิษฐานจริงๆเลยนี่ทำให้อัตมาไปประเทศอินเดียสองครั้งครั้งที่สองก็มีโยมคนหนึ่งที่ว่าโยมเอิบอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็บริจาคเงินให้อัตมาไปก็ได้ไปเป็นครั้งที่สอง เี๋วยวดว่าไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็จำเป็่ไปแล้วพอแล้วโยมก็บริจาคนะัไนแต่ถ้าไปแต่ว่ามันเปลืองเงินไปของเงินกันเปลืองเงินสู้ออกพระพุทธเจ้าใหอความสงบเย็นที่ภายในยดีกว่าเราไปจากสิบครั้งยี่สิบครั้งแล้วก็สู้เราปฏิบัติไม่ได้ไปสากครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง ก็พอแล้วแล้วก็ประยชนกับพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี่แหละนี่เรียกว่าดีที่สุดนี่คือเรื่องของแรงอธิษฐานที่ไปเห็นประบาทเออนี่ยไม่เห็นประบาทแล้วจนเห็นประบาทจริงแล้วก็ไปจริงเห็นจริงอะไรจริงขึ้นมานี่คือแรงอธิษฐานเป็นอย่างนี้ อาิตถาณบารมีก็เรียกว่าอาทิถามบารมีเอาที่นี้ในสถานที่นี้คือสุญญตาวิหารเรามีวัตถุสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือพระพุทธบาทจำลองอย่างที่สองก็คือพระพุทธเจ้าปางไสยาย ทำไมจึงต้องทำพระพุทธเจา้าบางเสยญาติไม่ได้คิดเอาเองไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเกิดภาพปฏิบัติในเรื่องนี้ขึ้นมาพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังของวัตตมานีสร้างโดยจบสีขาวมูลค่าหกแสน้าหมื่นบาท โยมยินดีจัดการไปหกแสนเนีนด้วยเงินอนุโมทนาของญาติโยมวะทุกทุกคนแล้วอาตมาเองก็ขายนาไปสองแปลงแจกให้พี่พี่น้องๆ้องไปแล้วก็เขียวขอเรื่อไรคนละห้าพันห้าพันก็ได้ห้าหมื่นได้ลงในพระพุทธรูปรูปนี้ ห้ามืนบาทตามแรงสักาที่นี่พระพุทธรูปเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในคืนหนึ่งนี่ขอบอกความจริงมาใจัวดุดจตริตาตะมานอนแบบบางสายญาตินอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านประทับนอนอยู่นี่แงก็นอนภาวนาว่า หายใจข้าวสงบเย็นหายใจออกสงบเย็นนอนทำอยู่อย่างนั้นสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมามือนี้จะตรึงแน่นแน่นอยู่กับสีข้างเท้าก็ตั้งวางวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตอนนี้อยู่อย่างนั้น หายใจก้าหายใจออกสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นนอนจนเหนื่อยจนเหนื่อยก็เลยถามถามว่าคือถามถามอยู่ในใจถามว่าถ้าจะพลิกได้ไหมบอกว่าพลิกได้คือไม่ใช่จะนอนด้านขวาตลอดไปนอนไปทางด้านซ้ายก็ได้ ท่านก็บอกว่าพลิกได้พลิกได้ก็เลยทางด้านซ้ายอีกสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นคือทางด้านซ้ายอีกพอทางด้านซ้ายสงบเย็นจนเหนื่อยก็ถามท่านว่าถ้าจะนอนหงายได้ไหมท่านบอกว่านอนหงายได้เอามือขวาจับมือซ้ายไว้ที่อกแล้วก็ภาวนาสงบเย็นเหมือนเดิม ก็เลยทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นทำอย่างนั้นทีนนทนนท่นี่สงสัยว่านี่อะไรกันผีเก้าวหรือว่าอะไรเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผีก้าวเป็นอะไรอย่างหนึ่งอาตมาก็สงสัยสงสัยแต่บอกว่าไม่ใช่ผีก้าวไม่ใช่ผีก้าวจนได้เวลาอาตมาก็ออกกาบ าการภาวนาว่าสงบเย็นนั้นมันสงบเย็นไปที่จิตที่ใจสงบเย็นไปทั้งเนื้อทั้งตัวอันมีความสงบเย็นเช้าก็เลยถามไปคนหนึ่งที่ก็มีความรู้ในเรื่องนี้ก็คือคนที่เขาข้าวส่งอา마าจะไม่กวนอิ่ม่าเมื่อคืนปฏิบัติเป็นอย่างนี้ตอนนี้อาม า, มาได้ไหมเบอกว่ามาได้มีอะไร บอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แกก็บอกทันทีเลยแกบอกว่าไม่ใช่ผีข้าวนั่นคือญาณปางใสญาติของพระพุทธเจ้าข้าวก็เรียกว่าญาณปางใสญาติปางใสญาติที่นี่ก็คือร้อน อ, อกร้อนใจขึ้นม า, าเอ๊ะอย่างนั้นเราจะต้องสร้างพระพุทธรูปปางสญาติ ได้เวลาก็ไปที่าจใหา่ไปาหา่ไปร้านอุมาผานนิดรันหุมาผานิดนะสนนิทธนมกันก็ไปไปแล้วก็จะมักจะไปชั้นเพลนที่นั้นบ่อยๆก็จะขายเครื่องบริการของพระในนี้ก็ไปดูพระปางสยายญาติก็มีอยู่สองรูปสองแบบมีอยู่สองแบบ ก็เลยถามถามเพราะว่ารากาเท่าไรก็บอกเขาว่าเนี่ยที่ฉันอยากจะสร้างประพางสยายญาติเพราะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาชื่อพณนิดาเป็นลูกสปายของมาชินเลี่ยงมาชินเลี่ยงก็เสียชีวิตไปแล้วยมปริมก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วสร้างกุฏิที่อาตมายอยู่นั่นแลหละฮ้อง แล้วก็ต่อออกมาเรื่อยๆทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตั้นเลือกเอาที่ชอบแล้วก็ก็ถวายถวายเอาพระองค์นั้นมาอยังอยู่เดี๋ยวนี้ยาวประมาณสักศอกแล้วมันทักโอกเป็นทองเหลืองแค่ทองเหลืองมันก็ยังไม่พอยังไม่พอมันคิดต่อไปบ่าเล็กเกินไปมันส่วนตัวเกินไปไม่ได้ ต้องสร้างให้โตกว่านี้ก็เลยสร้างเป็นเปิดดูในโตละทัศน์เขาก็เ ป, เปิดแ้วก็เจอทันทีเลยโรงงานที่เขาสกัดหินเนี่ยทาเป็นอะไรต่างๆหลายเรื่องเนาสกัดเป็นพระพุทธรูปด้วยอาตมาก็เลยไป บุรีรัมย์ก็ต้องติดต่อเพราที่บุรีรัมย์เราติดต่อที่บุรีรัมย์เขาเป็นชื่อด็อกเตอร์อะไรลืมชื่อไปแล้วเจ้าของก็ เ, เป็นโรงงานใหญ่ไปถึงก็ก็มาต้อนรับเรียบร้อยไปนอนพักค้างอยู่สองคืนที่ในโรงงานนั้นให้วก็ออกแบบหน้าพระพุทธรูปให้ก็ดู ก็ช่างที่ทาส่วนมากก็เป็นคำเมนท้งนั้นทอดทำททีนี้อัตมาถามไปบ่อยๆว่าเสร็จแล้อยังเสร็จแล้วยังเนี่ยพอเสร็จก็เลยไปแต่ก็ไปแก้ไขครั้งไปแล้วก็แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยหน้าตาเป็นยังไงคิ้วเป็นยังไงปากเป็นยังไง เส้นผมของพระองค์เป็นยังไงเ้าตามที่ตรงไหนไม่ถูกใจ้็นอนคิดอยู่ทั้งคืนว่าเราเกรงใจไม่ได้เราต้องบอกตามที่เราชอบต้องบอกตามที่ชอบที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เอาก็เลยบอกตามที่เราต้องการแล้วก็ไปนั่งคุมอยู่นั่งคุมช่างแฉ่งขเขมรสามคน เขาทำกับหินเขียวหินเขาเรียกว่าหินเขียวคือหินที่ผู้เขาไฟระเบิดเนี่ยก็ขุดขุดออกมาจากที่ผู้เขาไฟระเบิดนี่ยยาวสองเมตรตามยาวสองเมตรราคาหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทที่นี่ก็บันบรรทุกมาพอเสร็จแล้วก็บรนรทุกมาบรรทุกมาเสร็จก็อก ไม่ได้เอาขึ้นเอาไว้ที่นอนไว้ที่สูนภูมิปัญญาผู้สูงอายุอยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปหน้าพระภาคของพระองค์ก็สวยมากตากแดบดบตาฝนได้มันทำไว้ที่นั้นที่นี้พอมาถึงนี้มาถึงสร้างสาราหลังนี้ขึ้นมาก็ต้องมีรูปพระพุทธเจ้าบางสยญายติเจ้ามี ไม่มีไม่ได้ต้องมีมีที่นี่ก็คิดกันกันกบโยมยินดีว่าจะเอาอย่างไรดีจะสร้างพระพุทธรูปปามสั่งยาดอย่างนั้นอย่างนั้นโยมยินดีก็เลยติดต่อไปที่เแียงใหม่ว่าทํากับไม้สักดีไหมหรือจะทํากับอินออน์หรือจะทํากับโยก ก็บอกว่าให้ถามราคาไปก่อนถามกับไม้สักก็ไม่เบาราคาก็แพงทีนี้เรามาํำนวณดูว่าไม้ยังไงยังไงมันก็ต้องปลูกต้องปลูกร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีมันก็ปลูกถ้าไม่ปลวกขึ้นมีอะไรทีนี่คนก็ทำรายง่าย อาจจะหมดสิ้นอาจะมาไปนี่คนจะมาจุดทูกจุดเทียนพอทูกเทียนไปโดนเข้าไม้สักเลยเผาพระไปเลยอย่างนั้นก็เป็นได้ก็คิดว่าให้ไปหาดูเถอะเอาเป็นหินดีกว่าทีนี้ก็ยมยินดีกับคุณประเสิฐเขาก็ไปที่เชียงราย ไปที่เชียงรายไปสืบหาโรงอานที่สกัดประพุทธรูปเราเลยไปตกลงว่าหกแสนหน้าเมื่อก่อนเขาจะทำสามชิ้นสามชิ้นที่นี่เอามาต่อกันก็ไม่สวยแต่ว่าเรานี่จะลำบากในการที่จะพาขึ้นลง ป า, าขึ้นปาลงมีกองไม่มีใครปาลงไปแล้วมีแต่ปาขึ้นปาขึ้นทีนี้ถ้าคนที่มีความฉลาดหน่อยเข้ามาถึงเห็นพระพุทธรูปบางใสยญาตเขาอาจจะคิดว่านี่เอาขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธรูปนี้เราถืออิฐ ก, ก้อนหนึ่งก็เกือบตายแล้วมีพระพุทธรูปขนาดยาวทั้งสี่เมตรอย่างนี้ ถ้าคนที่ฉลลาดก็ต้องคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของพ ร, ระพุทธรูปที่นี่ญาณบางสยาัยญาณไม่ได้เกิดครั้งเดียวเกิดอีกเกิดครั้งที่สองเกิดครั้งที่สองก็ไปที่บ้านโยมยินดีไปบญญรรยายร้ำนี่ก็ไม่ได้บอกให้เจ้าของบ้านรู้ในตอนนั้น นที่พักที่โยมให้ไปพักนั่นแหละแต่ไม่ได้นอนบนเตียงนอนข้างเตียงข้างเตียงที่ปูให้นั่งสมาธินะก็เกิดยานปางสยญาติพึินมาอีกพักหนึ่งนั่นก็รู้เลยที่นี่ไม่ต้องถามใครแล้วว่านี่คือยานปางสยญาตนะิให้เกิดจนหมดเกลียว แล้ก็หยุดนี่เกิดมาแล้วสงครั้งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองนี้จะพูดถึงว่าศักดิ์สิทธิก์ก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีโยมเขามาจากนครสีธรรมราชก่อนที่จะมาก็บอกว่าเขานี้ไม่เห็นอะไรสีขาวไปหมดพระพุทธรูปก็สีขาวอะไรก็สีขาว พอมาถึงเห็นพระพุทธรูปบางสยาัยญาตเป็นสีขาวเขาก็เลยตกใจว่าโอ้นี่เหมือนกับที่นิมิตเลยฉะนั้นพระองค์นี้ไม่ต้องปลุกเสกศักศิ์สิษไม่ต้องปลุกเสกนี่คือสักศิ์สิทษนี่คือพระพุทธรูปบางสยาัยญาตเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ เกิดขึ้นมาจากภาคแห่งการปฏิบัติฉะนั้นถ้าธรามาไม่พูดคนรุ่นหลังก็จะไม่รู้ว่าพระนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงออกมาเรามาไหว้บนนี้ทำไมต้องมีปางสยญาติทำไมจึงไม่มีปางอื่นนี่ก็จะได้รู้ว่าประวัติเป็นมาอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้ นี่ก็ได้กาขอฝากไวคนรุ่นหลังด้วยจะได้รู้ต่อๆกันไปเอาทีนี้เก็บตกในเรื่องต่อไปที่เป็นห่วงก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเครื่องท่อนที่ฟังแล้วทำให้พระเวียนหัวเพราะไม่มีพื้นฐาน องหน่อยที่ไม่มีพื้นฐานก็เวียนหัวเลยแต่ถ้ามีพื้นฐานก็ไม่เวียนหัวคือจําได้จาได้ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเต็มร้ทั้งฝ่ายเกิดทั้งฝ่ายดับฝ่ายเกิดก็คือฝ่ายเกิดทุกข์ฝ่ายดับก็คือฝ่ายดับทุกข์ฝ่ายเกิดทุกข์ก็ตั้งต้นจากอนิชา สังขารวิญญาณนามรูปวิทยาภัจจเวทนานตนาอุปท า, านภพชาติชรามรณะโสกคริเทวะทุกขโทมนัสสาอุปญาตาอันนี้ต้องไปศึกษาแล้วทุกคนต้องจำสูตรนี้ให้ได้ทีนี้สายดับก็คือสายดับทุก นั and mm ่นเรียกว่าสายเกิดทุกข์สายดับทุกข์เรียกว่าอวิชญาตะเววาเสสะอิลากาิโรธาสังขารนิโรโอสังขารนิโรธาอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสราญตนณาดับ ชรายตระนาดพัสาดับพัสดุเวทนาดับเวทนาดับตัหาดับตนาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับภพดับชาติดับชาติดับชรามรณะโสกปริเทวาทุกะโทมนัสสาอุปยาสัดับเทนี้เมื่อเราปฏิบัติ ปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดแล้วก็เริ่มต้นที่นามรูปอาตมาไม่ได้กล่าวมากในเรื่องของนามรูปจึงขอกล่าวเรื่องเก็บตกเอาไว้ในทีน่นี้นามรูปก็คือขันธ์หน้านามรูปตัวที่สี่ตัวที่หนึ่งอวิชชาตัวที่สองสังขาร ตัวที่สามวิญญาณตัวที่สี่นามรูปพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีร์ออกเอาปฏิจจสมุปบาทครึ่งโทษท่านก็เลยอธิบายหรือเทศนาเรื่อง ร, รูปังอนิจจังเย็นไม้ตอนเช้าๆ้าที่เราสวดพุดโทโธสุดสุดโธ รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตา สัญญาอนัตตาสังขาราอนาัตตาวิญญาณังอนัตตารูปรูปนี่อย่าไปหมายความว่าบุคคลหรือว่าตัวเราอย่างเดียวรูปก็คือทุกสิ่งที่ตาเห็นที่ตาเห็นทุกสิ่งภายนอก รูปในอดีตก็ดีรูปในอนาคตก็ดีรูปในปัจจุบันก็ดีรูปเหล่านั้นเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็เหมือนกันเวทนาในอดีตเวทนาในอนาคตเวทนาในปัจจุบันฉันยาสังขารวิญญาณ ในอนดีตในอนาคตในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแค่ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนทีนี้มันห่างไกลจากเรามากพอพูดว่าไม่ใช่ตัวตนเรียบร้อยมันเรียบร้อยมันไม่ถึงใจอย่างนั้นก็เลยต้องพูดว่ารูปคือร่างกายนี ไม่ใช่กูนี้นมันเป็นอย่างนั้นให้มันหนักแน่นเข้าไปรูปไม่ใช่กูโรคคนเมื่อก่อนพูดว่าไม่ใช่ตัวตนเขาก็เข้าใจแล้วเพราะเขามีความสนใจแต่พวกเราในสมัยนี้กิเลสหนาอะไรก็เก็บออกมาเป็นกูหมดเอารูปมาเป็นกูคือร่างกายเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาเป็นกู ทีนี้พระพุทธเจ้าเลยตรัสเราก็เปลี่ยนเสียใหม่จากไม่ใช่ตัวตนก็บอกว่ารูปไม่ใช่กูเวทนาคือความพอใจและไม่พอใจหรือเฉยเฉยไม่ใช่กูสัญญาความจำความมั่นหมายในอดีตในอนาคตในปัจจุบันไม่ใช่กู สังขารคือการคิดการปรุงการแต่งขึ้นมาในทางใจสังขารก็ไม่ใช่กูสังขารภายนอกสังขารภายในไม่ใช่กูวิญญาณคือตัวความรู้สึกคือตัววิญญาณตอนนี้มันมาแทรกอยู่ที่นามารูปแล้วเมื่อก่อนมันเป็นตัวที่สามแกมาอยู่ในตัวที่สี่ความรู้สึกที่ไหนความรู้สึกในรูป ความรู้สึกในเสียงความรู้สึกในกลิ่นความรู้สึกในรสความรู้สึกในสิ่งที่ร่างกายสัมผัสแค่ตัวความรู้สึกเองมันเทียบแทรกแซงอยู่อย่างนั้นในตัววิญญาณมันแทรกแซงทีนี่มันยังไม่พอแทรกแซงแค่นั้นมันยังไม่พอยังแทรกแซงไปว่าตาเป็นกูแเรกแซงอวัยตน้อีกตาเป็นกู ความรู้สึกว่าตาเป็นกูความรู้สึกว่ารูปกูเห็นความรู้สึกว่าวิญญาณคือตัวความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูความรู้สึกที่เกิดปัจจัขึ้นมามันก็ว่ากูกระทบความรู้สึกที่เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ว่ากูได้รับผลของเวทนา นี่มันกูไปหมดเฉนั้นให้เราเปลี่ยนให้มันเข้ากับสภาพที่มันยึดมั่นถือมั่นมานานว่ามันไม่ใช่กูรคูคือร่างกายนี้ก็ไม่ใช่กูภาวนาอวายัย้าเจริญปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอนเริ่มต้นจากตรงตรงนี้รูปไม่ใช่กู เวทนาไม่ใช่กูสัญญาไม่ใช่กูสังขารไม่ใช่กูวิญญาณไม่ใช่กูเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปรูปไม่ใช่กูเวทนาไม่ใช่กูสัญญาไม่ใช่กูสังขารไม่ใช่กูวิญญาณไม่ใช่กูเหมือนกับเดินร้องเพลงไปอย่างนั้นไม่ต้องไปเครียดมันเหมือนเดินร้องเพลง นั่งก็ความรู้สึกในรูปก็ไม่ใช่กูความรู้สึกในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารงว่าไม่ใช่กูให้หมดไม่ใช่กูให้หมดไม่ใช่กูจนไปถึงเวทนาตารูปจะกูุวิญญาณปัจจาเวทนา ไม่ใช่กูทั้งหมดนั้นไม่ใช่กูตาไม่ใช่กูรูปที่ตาเห็นก็ไม่ใช่กูเห็นวิญญาณที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ไม่วิญญาณก็ไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดภัจษาขึ้นมาคือการกระทบการกระทบก็ไม่ใช่กูแล้วก็เกิดผลขึ้นมาคือเวทนา เวานั้นก็ไม่ใช่กูเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับแต่มันว่างจากตัวกูมันว่างจากตัวมันเองเมื่อมันว่างจากตัวมันเองมันก็ว่างจากตัวกูนั่นแหละเพราะเราไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกูมันว่างจากตัวมันเองมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราเรียกว่าว่างจากตัวตน รูปไม่ใช่ตัวตนก็คือว่างจากตัวตนแต่ภาษานน้นก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะภิกษสุปัญจวคีตั้ง่ารูปท่านได้ฟังอย่างนี้ท่านก็เลยบรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ในพรรษานั้นหมดทั้งห้ารูปเห็นไหมนี่นี่สำคัญมากจากนั้นเราจึงมีการเก็บตกกันเพรอะเป็นอ่วงในเรื่องนี้เราควาัง ม, มากมากมันอาจจะเลอไม่รู้จะไปเอาที่ตรงไหนจะกนั้นการปฏิบัติจริงต้องปฏิบัติที่ปฏิจจสมุปบาทครึงทอด ทวในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ในเรื่องของสติปัฏฐานสี่คือทำสติให้มันสมบูรณ์พอสติสมบูรณ์แล้วสติจะได้ดึงอาวุธคือปัญญามาประสานกิเลสมาประหา น, าหานโอทัยเวทนาตัวนั้นให้เห็นว่าเวทนาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา เวทนาก็ว่างจากตัวตนแค่นั้นต้องปฏิบัติให้เห็นให้ว่างให้หมดให้ว่างให้หมดรูปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนเวทนาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนสัญญาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนแสงขานเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ว่างจากตัวตนวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนพระพุทธเจ้าพระองค์แจกเท่านี้ภิกษูปัญจวคีก็รู้แล้ว ก, ก็เป็นพระอาหารหันกันแล้วทีนี้เรานี่จะต้องแจ้งรายละเอียดแจงรายรายละเอียดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาที่ติดกับร่างกายนี้ ตานี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคือเกิดดับอนิจจังอนัตตาคือเกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนรูปก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนจากกูวิญญาณก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนทีนี้เมื่อสามอย่างทำงานร่วมกันทำให้เกิดปัจารัจาคือการกระทบ ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนเพราะกระทบแล้วก็เกิดผลแห่งการกระทบขึ้นมาคือความพอใจและความไม่พอใจเรียก ว, ว่าเฉยๆเรียก ว, ว่าอาวิชชาเวทนานั้นก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนมันก็เลยดับดับที่ตรงนั้น นี่คือปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอดดับที่ที่ตรงนั้นก็ทางตาดับรูปดับจะขูวิญญาณดับทักษาดับเวทนาดับดับหมดตัณหาไม่เกิดนี่ตัณหาไม่เกิดเพราะว่ามันจักสา น, นที่ตรงนั้นพอจักสานแล้วมันอยู่ห่างกันมันใต่ต้าไปไม่ได้นี่คือมันดับ แ่ถ้าดับหมดแต่คนนั้นก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันเราอย่ากล้าไปยึดถือในพระอาหารหันอีกพระอาหารหันก็คือเว้นพระอาหารหันคือเว้นเว้นอะไรเวนสิ่งที่เอามาเป็นตัวกูนะเอารูปมาเป็นตัวกูเอานามมาเป็นตัวกูเอานาหูจมูกลิ้นกาใจมาเป็นตัวกู เอาสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นริมรถว่ากูเห็นกูได้ยินกูได้กลิ่นกูริมรถเป็นต้นมันเป็นเอามาเป็นตัวกูเป็นของกูแต่ว่าพระอริยเจ้าท่นพระอรหันท่านเวน้นท่านเว้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นก็เรียกว่าพระอรหันไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันเลือ ก, กศักดิ์สิทธิ์มันเลยที่จะศักดิ์สิทธิ์ไปเสียอีกคือท่านไม่มีความทุกข ท่านมีสติทันกับเหตุการณ์เหล่านี้ท่านก็ไม่มีความทุกข์แค่นั้นในเรื่องของตาในเรื่องของหูในเรื่องของจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าต้องภาวนาหเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนตัวอื่นๆก็ทําเหมือนกัน หูเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนเพราะหูนี่มันมีประสาทหูแล้วมันก็จะต้องเกิดดับเมื่อมันเกิดดับก็เพราะว่ามันว่างจากตัวตนเสียงที่เราฟังอยู่นี้เสียงนี้มันเป็นกระแสะเป็นกระแสะที่ถ่ายโทษมาจากวิตกวิจารณ์ที่อัตมาออกไปจากอัตมาแล้วมันมาสู่ไมโครโฟน แต่มันก็วิ่งไปทางอากาศถ้าในอากาศมันมีกระแสไฟไฟ้าทีนี้พอวิ่งไปตามกระแสนั้นเราก็มีใบหูสําหรับที่จะรับเสียงงีห่หูก็เกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนคือประสาทหูเสียงเองก็เกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตน ความรู้สึกกางหูเรียกว่าโสวตวิญญาณวิญญาณนั้นก็เกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนนี่มันรุวนแต่ว่างจากตัวตนทีนี้เมื่อเกิดปัสสาขึ้นมาปัสสาก็เกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดเวทนาขึ้นมาเวทนานั้นก็เกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนทีนี้ถ้าเราเห็นว่ามันว่ า, วางจากตัวตนมันกระจบ ท, ที่ตรงนั้น ทางตาก็จบตรงนั้นทางหูก็จบตรงนั้นทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จบที่ตรงนั้นทางใจที่เราคิดจนเลยเถิดไปเลยเถิดไปเดินตามยาวสะพานเดินตามยาวสะพานจากเวทนาทราก็เดินไปด้วยความเกิดชินไปเดินทางตัณหา เดินทางอุปาทานยึดมั่นถือมัน่นเดินทางพบกรรมพบรูปพบอรูุปพ บ, ปพบเดินทางชาติเกิดความรู้สึกว่าเป็นกูเต็มขัน้นแล้วก็เกิดชรามรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมนัสซาอุปาญาตเต็มรูปแบบนั่นเดินไปหาหลุมทุกครั้งเลยเดินไปหาหลุมนั้นมันก็เลยตกหลุมทุกครั้ง เดินไปทุกครั้งตกหลุมทุกครั้งแต่ถ้าเราปฏิปฏบัติตามปฏิจจสมุ ป, ปบาทครึ่งทอนมันจะเดินไปไม่ถึงนั้นเบอร์เดินมาถึงปัตตสะเตรียมพร้อมเอาสติปัฏฐานหรือว่าเอาสติที่เราเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วไปดึงอปัญญามาเห็นเวทนาตัวใดตัวหนึ่งว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างกับตัวตนมันก็ดับทันทีเลยพอดับที่ตรงนั้นมันก็ดับทันทีนี่เพราะเราชักสะพานตรงนั้นออกเสียเหมือนกับว่ามันมีสะพานทอดตรงกลางหนึ่งแผ่นพอทอดเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปยังตนาไปอุปาทานพบชาติชะรารณะโสกาปิเทวะทุกขโทมนัสสุปายานี่ เราเหมือนกับว่าสะพานสะพานข้ามกรองอย่างนั้นก็จะมีไม้นะครับทอดตรงกลางมีไม้กระดานทอดตรงกลางถ้าจักสะพานนั้นออกเสียก็เดินไปฝั่งโน้นไม่ได้ฝั่งโน้นก็มาฝั่งนี้ข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันให้อย่าให้ข้ามไปฝั่งโน้นก็เข้าไปถึงตรงนั้นก็ดับทุกได้ ไม่ได้ต้องข้ามไปฝ่ายทุกข์ถ้าข้ามไปฝ่ายทุกข์มันก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่ตาเห็นที่หูได้ยินที่จมูกดมกลิ่นที่ลิ้นดิมด้มรสที่กายสัมผัสที่ใจรู้ธรรมารมณ์มันก็เป็นทุกข์ทุกครั้งไปและทุกครั้งนะั้นมันไม่ใช่วันสองวันมันเป็นทุกข์จนตายลองคิดดู มันกี่ร้อยครั้งกี่วันครั้งกี่หมื่นครั้งกี่แสนครั้งกี่ล้านครั้งมันเป็นทุกจนตายเลยมันทุกอย่างนั่นทุกทีการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ําไปนี่แหละคือการเกิดความรู้สึกการเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นมานั่นแหละเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นมาความรู้สึกว่ากูขึ้นมาเกิดแล้วการเกิดทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้ง แต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่มีชาติให้เจรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสาอุปายานเป็นอนุว่าภาพฐานไปเลยพวกนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่กูมันไม่ใช่กูเพราะความรู้สึกนี้มันไม่ใช่กูเื่าไม่ใช่กูมันก็ดับเสีย ที่เวทนาตัวนั้นนี่พวกท่านตรงไปพินิจพิจารณาให้ดีแล้วไปจับให้ถูกกระบวนการของเขาแล้เราก็จะเห็นความว่างจะเห็นอนิจจงจะเห็นอนัตตาเห็นสุญญาตาอย่างเร็วไวถ้าตำอย่างนี้ถ้าไปตาบทกรรมจ้างอยู่ เมื่อรถจะถึงสักทีหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่เที่ยววิ่งหาอาจารย์อยู่นั่นเลยอาจารย์นี้ก็ไม่พอใจอาจารย์โน้นก็ไม่พอใจไปพบอาจารย์รูปหลอก็ตกหลุมเลยเห็นไหมเหยอะแยะเยอะแยะไปหมดตกหลุมเลยตายกับอาจารย์รูปหลอโอ้ยท่านผิวพรรณผ่องใสงพอเห็นไฟส่งแล้วก็จีวรนี่เป๊บเป๊บ แต่ก็ผิวน่ขาวนวลเหมือนกับนางงามจั ก, กรวาลอะไรไม่ใช่พระอย่างนั้นไม่ใช่พระนั่นมันดาราอย่างนั้นดาราก็ออกมาโชว์ออกมาโชว์นะคนมากมาก็กประชุมกันมากาก็เลยออกมาโชว์ตัวครั้งหนึ่งนี่มาโชว์ตัวแสดงเป็นการสแสดง เจ้จีวอนนี่ก็จะมีอะไรเป็นแวววาแวววา ว, ว, ว, าวอาเอามาปรามาพร้อมข้าวโอ้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆโว้ยแต่มให้มันศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่ละคนศรัทธาเอาเงินเอาทองไปกองให้กองไปกองมาผัวไม่พอใจโดยเลิกกันกับผัวเลย <c oughs> เยอะแยะไปหมดนี่คือศรัทธาศรัทธาในพระรูปงามรูปหล่อ แต่โดนต้มเต็มร้อยเปอร์เซนต์ลยอย่างนั้นนี่ยังมีอีกเยอะอย่างนั้นนี่ฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญาก้าวตามพระพุทธศาสนาเราจะต้องมีปัญญาถ้ามีไม่มีปัญญาจะโดนต้มเราไปโทษเขาไม่ได้เราต้องโทษตัวเองนี่ทั้งหมดนี้เรื่องการเก็บตก ที่ทำมาแล้วตั้งแต่วันที่สิบถึงมาถึงวันที่ส6หในคืนวันที่ส6บหก็มีการเก็บตกกันอย่างนี้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงเบิกบานในธรรมะที่ตัวเองปฏิบัติมีความสุขมีความสงบเย็นเหมือนพระพุทธรูปปางสยญาติที่ยานพุทธ บางสาย ญ, ญาติเข้าไปทรงในจิตในใจของเรามื่อจิตก็สงบเย็นสง บ, บเย็นอย่างนั้นกอให้ท่านจงไปประสบกับความรู้สึกอย่างนี้ทุกๆุกคนเวลาของการบรรยายก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติการบรรยายกลางราสุดาวา้แต่เพียงเท่านี้